เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่หกวันที่หกถึง 10, สิบสัมมาสังกัปปะฉันเคยได้ยินว่าผู้ชายจะคิดอยากมีเพศสัมพันธ์ไปทั้งชีวิตโลกเราเคยมีข่าวฮือฮาที่ชายชราอายุร่วมร้อยปีมีเมียสาวกันมาแล้วไม่นับผู้เท่าจำนวนมากที่ตายขา อ, อกเพราะใช้ไว้อกร่ากันพร่ำเพรือ่อและเฉพาะหน้าหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยสรุปได้ว่า ผู้ชายไว้ใจไม่ได้สักวัยตั้งแต่1 2บสองถึงเจ็ดสิบแรกแรกฉันนึกว่าพอหมดวัยหนุ่มแล้วจะเลิกคิดเรื่องกามกันตามความฝอ่อทางกายเหมือนถึงจุดหนึ่งธรรมชาติจะตะโกนใส่เราดังๆว่าพอได้แล้วเข้าวัดได้แล้วเตรียมสเสบียงไว้เดินทางต่อได้แล้วแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นตราบใดยังตรึกนึกทางการตราบนั้นคนเราจะอยากเสพกามไปจนตาย ไม่ว่าร่างกายจะพร้อมหรือไม่พร้อมเรื่องนี้ทำให้ฉันรู้สึกอเนจอนาจใจยิ่งสังเกตเข้ามาในตัวเองไม่มัวแต่อานาจเรื่องคนอื่นข้างนอกก็พบว่าแม้ปฏิบัติธรรมจนเห็นความไม่เที่ยงของกายใจมาหลายเดือนพอเจอผู้หญิงสวยๆหุ่นดีๆที่มีให้เห็นโฉบฉายกันทั่วบ้านทั่วเมืองใจก็ยังวันไหวได้อยู่ถ้าช่วงเช้าจิตกาลังผ่องผอง ก็กำหนดเห็นความทยานอยากอันเกิดจากตาประจวบรูปทำให้สติกลับมาตั้งฐานได้ทันก่อนที่ราคะรั่วรถถึงจิตแล้วไปก่อปฏิกิริยาทางกายแต่ช่วงเย็นบางทีเหนื่อยเหนื่อยจากงานแล้วไม่ค่อยมีแก่ใจกำหนดสติพอเห็นอะไร ง, งามๆแล้วยังเกิดอาการจ้องตาค้างได้อยู่เหมือนผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งสรุปคือการอยู่ในเมือง ทำให้คนเราวนเวียนตรึกนึกไปทางการตลอดเวลาบางช่วงฉันฝึกอินรียสังวรมองเห็นอะไรด้วยความสำรวมได้บ้างแต่ก็จะมีช่วงที่หลุดยอมตามกิเลสไปหลายหนเพราะบอกตัวเองว่าไม่ใช่พระจะให้เป็นพระอิดพระปูนกลางเมืองนั้นคงยากถ้าพูดว่าการเป็นต้นเหตุอุปาทานมือวางอันดับหนึ่งทำให้ยึดว่ากายใจนี้ของเรา ถ้าไม่เห็นไปว่ากายใจนี้ดีทำให้อยากขอความเป็นหนุ่มสาวช่วงนิรันด์เพื่อเสกกรรมก็คงไม่ใช่การกล่าวเกินจริงหากไม่มีใจคิดปลีกวิเวกไม่มีช่วงของจิตที่สงัดจากกรรมเอาเลยจะหวังหลุดพ้นอย่างไรไหวฉันเคยอ่านข่าวหนึ่งที่มีคนแก่อายุเกินร้อยเผยเคล็ดลับว่าอยู่โยงคงกระพันมาได้ปานนั้นเพราะไม่เสกกามเลยตั้งแต่หนุ่มนุ่ม คนไปสัมภาษณ์ถึงกับพึมพำว่าถ้าอย่างนั้นจะอายุยืนไปทำบ้าอะไรนี่คือความจริงส่วนหนึ่งที่มนุษย์ทั้งหลายอยากอยู่ดูโลกนานๆไม่อยากให้มัจจุราชมาคร่าชีวิตไปเสก่อนก็เพื่อจะได้ประกอบกามกิจอันน่าติดใจนั่นเองยังเคยมีหนังมีละครเยอะแยะให้ตัวแสดงพูดว่าฉันยังไม่อยากตายฉันยังไม่มีเมียเลย ถ้ามุกตลกร้ายทํานองนี้ทำให้คนดูไม่รู้สึกขัดแย้งพลอยมีอารมณ์ร่วมว่าเสียดายที่ยังไม่มีเมียด่วนต้องตายซะก่อนก็แปลว่ามนุษย์จํานวนมากอยู่หรือตายด้วยใจบูชากรามเป็นสารณะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในอังคุตระนิกายเอกทุกติกนิบาทว่าที่เราติดใจตรึกนึกถึงกาม ก็โดยอาการใส่ใจมองกายโดยความเป็นของสวยของงามถ้าหากเรามองเส่นตามจริงว่ากายเป็นของสกปรกใส่ใจโดยแยบคายว่าตั้งแต่จิศาสตร์จะดเท้าไม่มีส่วนใดสะอาดเลยอย่างนี้ก็จะเป็นการแก้ล้ำกลนกามเสียได้ฉันลองทำตามที่ยุค ป, ปัจจุบันทํากันคือหาภาพศพน่าสะอิดสะเอียนมาดูผเพื่อนฉันเป็นคนไม่มีจินตนาการแรง เห็นตับไตไส้พุงแดงเถืออแล้วไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมเห็นตามจริงว่านั่นภาพเลือดภาพเนื้อเละเทะของคนอื่นเป็นความสกปรกของคนอื่นไม่เกี่ยวกับฉันที่ยังเนื้อตัวสะอาดสะอา้านนั่งดูรูปศพอยู่ด้วยความเฉยเมยหรือจะเป็นเพราะแค่รูปภาพนั้นต่างจากศพจริงภาพไม่มีกลิ่นไม่มีหน่อเหม็นแนวเหม็น เพียงภาพสยดสยองจะไม่ติดตาติดใจคนที่ขาดอารมณ์ร่วมและบางคนแม้มีภาพสยองติดจิตไปขยายผลต่อเป็นมโนภาพหน้าขนหัวลุกก็ทำให้เกิดความหวาดผวาเหมือนเห็นผีมากกว่าจะทำให้เกิดความแนหน่หน่ายคลายความกำนัดอย่างแท้จริงแล้วก็ย้อนกลับไประลึกถึงมหาสติประธานสูตรพระพุทธเ จ, เจ้าสอนให้ดูกายตนเองโดยความเป็นปฏิกูลก่อน จากนั้นจึงค่อยขยับจิตไปพินิจดูของคนอื่นอีกประการหนึ่งพระองค์ท่านให้พิจารณาจากผิวนอกของกายอันได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังก่อนไม่ใช่ให้กระโดดไปชำละก้อนเลือดก้อนเนื้อข้างในออกมายต์แต่แรกทบทวนว่ามีพระสูตรใดที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีดูกายเป็นอสุภะไว้เป็นขั้นๆหรือไม่แต่นึกไปนึกมา พอทวนลำดับมหาสติปัฏฐานสูตรก็ร้องอ๋อกับตนเองถ้าตั้งสติรู้ลมจนเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิให้สติเกาะอยู่กับอิริยาบถปัจจุบันในขณะนั้นๆก็จะเป็นฐานให้เห็นผมขนเล็บปันหนังตามตำแหน่งที่ปรากฏอยู่จริงอย่างไม่ยากลำบากนักแนวคิดนี้สามารถยืนยันได้จากตัตยยป ร, ราชิกติขาบทเกี่ยวกับภิกษุหลายรูป ที่วานกันฆ่าเรื่องมีอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่ามหาวันครั้งหนึ่งพระองค์แสดงเทศนาธรรมสรรเสริญอสุภาษกรรมฐานคือข้อปฏิบัติดูกายโดยความเป็นปฏิกูลตลอดจนภรรณาคุณของฌานสมาบัติอันมีอสุภาษเป็นตัวตั้งจากนั้นพระองค์ท่านก็หลีกเล้นอยู่เพียงลำพังประมาณสองอาทิตย์โดยไม่ส่งอนุ ญ, ญาตให้ผู้ใดรบกวน เว้นแต่ภิกษุผู้นำบิณฑบาตไปถวายเพียงรูปเดียวเหล่าภิกษุฟังพระองค์สรรเสริญอสุภะกรรมฐานทิ้งท้ายไว้แล้วก็เลยประกอบความเพียรกันอย่างยิ่งยวดกระทั่งเกิดความอึดอัดระอาและเกลียดชังร่างกายของตนราวกับผู้หญิงเนื้อตัวสะอาดโดนแกล้งเอาซากจบงูหรือซากศพสุนัขมาคล้องอยู่ที่คอด้วยความรังเกียจถึงขีดสุดบรรดาภิกษุก็คิดสั้น ปลงชีพตนเองบ้างหวานกันปลงชีพให้บ้างเป็นจานวนมากพอพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากที่เร้นทอดพระเนตรเห็นภิกษุบางตาลงก็ตรัสถามความจากภิกษุผู้ปกติมีหน้าที่ปรนิบัติรับใช้ถึงเหตุที่ภิกษุน้อยลงก็ได้รับคําตอบว่าเป็นเพราะภิกษุจำนวนหนึ่งเจริญอสุภะกรรมฐานแล้วรังเกียจกายตนเองจนทนไม่ไหว จึงสังหารตนเองด้วยความสมัครใจพระพุทธองค์ทราบความตามนั้นจึงเรียกประชุมสงฆ์แล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมาธิในอานาปานาสตินี้ถ้าพวกเธอทำให้มากแล้วย่อมเป็นคุณสงบปราณีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพลัน ดลุดละอองและฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นในช่วงท้ายฤดูร้อนถูกฝนใหญ่กำจัดชะลางให้อันตรธานหายไปได้อย่างฉับพลันแน่นอนว่าอากุศลธรรมในที่นี้คือความคิดอยากตัดช่องน้อยแต่พอตัวลาโลกไปเพียงเพราะตระหนกว่าร่างกายนี้ที่แท้น่าสอิดเสียเอียนยิ่งกว่าซากมาเนา่าสมในกับที่พระพุทธองค์ทรงวางแนวปฏิบัติไว้ตามลำดับในหมวดกาย คือให้เจริญอาณาปณสติและอาศัยอิริยาบถเป็นเครื่องรู้ให้ดีซะก่อนเห็นลมหายใจและอิริยาบถโดยความเป็นของเกิดดับไม่ใช่ตัวตนแล้วจึงค่อยขยับขึ้นมาพิจารณากายโดยความเป็นของโสโครกฉันจึงรู้สึกว่าเห็นแนวทางแล้วว่าจะเริ่มเจริญอสุภะกรรมฐานอย่างไรฉันลงทุนเล็กน้อย ปกติฉันจะสะผมทุกเช้าก็ไม่สักแค่อาบน้ำเพื่อให้เหมาะกับการไปทำงานร่วมกับผู้คนแต่ตกเย็นกลับบ้านไม่ได้อาบน้ำอย่างเคยปล่อยให้กลไกธรรมชาติเปิดเผยความเป็นกายที่ปราศจากการขัดถูชำระล้างด้วยตัวเองแถมให้อีกนิดหนึ่งคือออกไปวิ่งเอาเหงื่อมาพอประมาณคำนั้นไม่ทานข้าวร่วมกับคนอื่นเข้าห้องปิดประตูขังตัวเองอยู่กับอสุภะตามลาพัง ถอดเสื้อยือดออกลงนั่งดูหัวใจสูบฉีดค่อนข้างเร็วและแรงหลังออกกำลังเหนื่อยๆสำเนียกรู้ถึงเม็ดเหงื่อที่เกาะเปวตามใบหน้าลำตัวและแขนขาการผุดชื้นของน้ำเหงือ่อทำให้ทราบการปรากฏของเนื้อหนังได้ชัดกว่าปกติมากฉันผูกสติตามรู้ผิวหนังอันมีน้ำผุดขึ้นเกาะซึมๆหายใจออกรู้ผิวหนังหายใจเข้ารู้ผิวหนัง เรื่อยไปนับสิบนับร้อยครั้งกระทั่งจิตไม่เหลืออะไรอื่นนอกจากความรู้สึกในผิวหนังซึ่งเริ่มแห้งกรอะกรังด้วยคราบเหงือ่อคราบคลายอาสุพะเริ่มออกฤทิชยเข้าจมูกเมื่อสิบห้านาทีผ่านไปนึกออกตามพระป่าท่านพูดเลยว่าหน่อม็นแนวเหม็นเป็นอย่างไรเมื่อกำหนดอยู่นานๆผิวหนังที่ห่อหุ้มอิริยาบถนั่งก็เริ่มปรากฏแปลกไป จิตอันตั้งมั่นเป็นสมาธิรับรู้ได้คมชัดขึ้นกว้างรอบขึ้นเห็นทั่วพร้อมทั้งผิวที่ใบหน้าผิวต้นแขนด้านในที่แนบติด ก, กับลำตัวผิวช่วงหน้าอกไปถึงท้องรวมทั้งผิวบริเวณต้นขาและน่องบางครั้งร่างกายเหมือนขยายใหญ่ผิวหนังอันเกาะไปด้วยคราบใครปรากฏเป็นเปลือกไม้หยาบที่มีกลิ่นเหม็นสติคมชาติเห็นอะไรได้เป็นขณะขณะเมื่อต้องกลืนน้ำลาย ก็รู้สึกถึงภาวะเริ่มน่าบูดหลังจากเคี้ยวศพสัตว์มาเมื่อตอนเช้ากับตอนกลางวันโดยยังไม่เอาอยาสีฟันไปถูทำความสะอาดฉันสำเนียกถึงอาการเต้นที่อ่อนลงของหัวใจจากที่เมื่อครู่สูบฉีดแรงสิ่งเหล่านี้เป็นภาวะที่คุ้นชินมาเนิ่นนานแต่ไม่ได้เห็นชัดๆต่อเนื่องเหมือนอย่างที่ตั้งใจกาหนดดูนานๆแบบนี้รูปวัตถุที่ถูกรู้เช่นหัวใจและน้ำลายนั้น เป็นของซ่อนเร้นเป็นของที่ตั้งอยู่ใต้ผิวหนังธรรมชาติจิตเมื่อกำหนดสติรู้สิ่งใดเป็นนานๆก็เริ่มเห็นลักษณะของสิ่งนั้นขึ้นมารางๆหัวใจเป็นก้อนเนื้อเต้นตุบตุตั้งอยู่ในวางโครงกระดูกเป็นซี่ๆส่วนน้ำลายมีสันฐานที่แปรปรวนง่ายมีคุณลักษณะเอิบอาบเช่นธาตุน้ำแต่ขณะเดียวกันก็เหนียวหนืดกลืนแล้วไปผสมกับเมือกสเลดในลาคอต่อไป สติที่ตั้งมั่นทาให้กายปรากฏชัดอย่างต่อเนื่องแต่ก็แว่งวินเห็นเป็นส่วนๆบ้างชัดเต็มทั้งตัวบ้างตามสภาพอันไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นธรรมดาของวิญญาณขันนั่งไปนั่งมาเหมือนจิตจะซึมลงสู่ความงกงวก่วงเพราะพึ่งเหนื่อยวิ่งจนเหงื่อตกมาหยกๆยกแต่พง่วงเช่นนั้นก็นึกถึงความสว่างแห่งทิวาการก็รู้สึกอุ่นและสว่างรอบ เกิดความตื่นเต็มขยันขันแข็งขึ้นใหม่ความสว่างในครั้งนี้ช่วยให้เห็นล่วงเข้าไปในขอบเขตรับแลจากจักสูปราสาสตเหมือนเห็นกระดูกขาวๆและก้อนเนื้อแออัดคล้ายอุปาทานและสว่างแวบวาบและเลื่อนลงไม่คงที่ฉันก็ไม่ได้พยายามเพ่งใหม่เป็นพิเศษเพราะทราบดีว่าอาการเพ่งคือการบีบจิตให้คับแคบเปล่าประโยชน์นอกจากไม่เห็นอะไรแล้ว อย่างเป็นทุกข์ฟรีๆอีกด้วยฉันเพียงกําหนดรู้สิ่งที่พอรู้ได้ตามกำลังจิตปัจจุบันเช่นการหายใจและอิรยาบดรอจนกำลังจิตเพิ่มรู้สึกถึงสภาพพลิกขึ้นสว่างของจิตเองก็ค่อยดูผิวหนังรอบตัวเท่าที่สามารถทราบได้ต่อไปเกือบชั่วโมงแห่งการสลับสว่างกับมืดเห็นกายบางส่วนบ้างหลายส่วนบ้าง ง่วงทีก็นึกถึงความสว่างในเวลากลางวันทีพยุงสติให้ผ่านด่านความเพลียมาได้หลายครั้งหลายหนกระทั่งถึงจุดหนึ่งคลายจิตยอมหลับแต่เป็นการหลับในภาวะกําลังตั้งนิ่งภาวะดังกล่าวยุบลงเหมือนยืนอยู่บนทายดูดที่มีพลังมหาศาลแล้วพริบตาต่อมาก็เกิดภาวะผุดเด่นสว่างสวยเต็มดวง เกินขอบเขตคับแคบของกายแบบฉับพลันทันใดกายเหมือนเป็นกายเดิมที่ปรากฏอวัยวะครบถ้วนแต่การแสดงรายละเอียดต่อจิตอย่างแจ่มแจ้งทำให้รู้สึกราวกับเป็นกายอื่นสร้างขึ้นด้วยแก้วข้างในมีกระโหลกมีโครงกระดูกแออัดด้วยก้อนเนื้อสภาวะของจิตรวมในครั้งนี้ไม่เชิงว่ามีความคงที่แบบชานแท้ เป็นชานแค่วูบเดียวในสองสามวินาทีแรกเหมือนไฟดวงใหญ่ที่จุดติดแต่ไม่มีฐานกำลังแข็งแรงพอฉันรู้สึกถึงความเปลี่ยนทางกายที่ส่งผลกระทบให้สภาพรู้สว่างโคลงแบบลม้มลุกพอจะดูกายให้ชัดว่ารูปประพันธ์สันฐานแต่ละส่วนเป็นอย่างไร <c oughs> ก็เหมือนกลายเป็นภาวะเลือนหายวายว่างไม่มีกาลังพอจะประคองความรู้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้ แต่อย่างน้อยชาญวูบเดียวก็ทําให้รู้เห็นความแปลกแยกแตกต่างระหว่างจิตกับกายจิตในภาวะเด่นดวงเป็นอิสระจากการครอบงามทางกายเห็นกายเป็นเพียงโครงที่อาศัยไม่มีความน่ารังเกียจชิงชังหรือน่ารักน่าใครในตนเองขึ้นอยู่กับความกําหนดไว้ของจิตว่ามันเป็นอย่างไรธรรมชาติความเป็นมนุษย์ก็ช่างน่าพิศวงเหลือแสนมีความจริงรองรับทุกความเชื่อทุกมุมมอง อยากดูแค่ผิวนอกให้เห็นเป็นของสวยงามก็ได้อยากดูลึกเข้าไปถึงตับไต้ไส้พุงให้เห็นเป็นของหน้าคลื่นเหียนชวนให้อยากอาเจียนก็ได้อีกสองมุมในหนึ่งเดียวแบบเบ็ดเสร็จจริงๆ